นทานอานอาอันยาสิวัตโพคุันโยอัยาสิวัตโพคุันโยกณทันยะได้รู้แล้วหนอโทัยะได้รู้แล้วหนอ